หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดพระบ้านมิชฉาทิฏฐิอีกสองแบบคือเสื่อมยิ่งใหญ่พระในศาสนาพุทธยุคโน้นยังไม่มีที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณนไว้ในยุคของพระองค์นี้ แต่มีในลัทธิศาสนาอื่นๆเต็มไปหมดซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรู้พระปัญญาที่คุณว่าเป็นความงมงายที่คนมีกันพระองค์จึงออกมาประกาศของพระองค์ว่าถ้าไม่มีทิฏฐิแบบนั้นเข้าและไปปฏิบัติไปเป็นแบบนั้นนั่นแหละมิจฉาทิฏฐินอกรีดพุทธ นอกจากแบบพระปาสองประการนั้นแล้วก็มีมิจฉาทิฏฐิที่เป็นพระบ้านกันอีกสองประการนั่นคือในความเสื่อมข้อที่สแบบพระบ้านประยุกต์ที่ใช้เดรัจฉานวิชายังเป็นเทวนิยมที่หลงอดีตและอนาคตเพอเพอพกพกหลงอยู่ในฝันอยู่เป็นการพนัน ที่มีผู้ถูกหวยคือประสบผลสำเร็จกันบ้างจำนวนน้อยแต่ส่วนใหญ่ถูกหวยกินส่วนผู้ที่ถูกหวยนั้นเป็นคนมีฐานะทางสังคมทั้งรวยทั้งเป็นผู้มียศศักดิ์เป็นคนมีอำนาจเป็นคนเก่งเป็นดาราเป็นคนดังได้รับการเหื่อหลงชื่นชมโรกิยารมต่างๆในสังคม พระบ้านก็จะมีคนเด่นๆ ด, ดังๆในสังคมแบบต่างๆพวกนี้แหละเป็นลูกศิษย์ลูกหาจึงเป็นนายแบบนางแบบซึ่งเป็นตัวแบบโฆษณากันอยู่ตามที่เห็นที่เป็นกันเต็มบ้านเต็มเมืองทุกยุคสมัยส่วนความเสื่อมข้อที่สีนี้เสื่อมสุดๆ เป็นพระบ้านที่ทั้งเก่งทางความรู้ความฉลาดความสามารถที่เป็นโลกโลกใช้เดรัจฉานคถาที่หลงอดีตและอนาคตแถมนําปัจจุบันบางตัวอย่างมาอ้างหลอกให้หลงประกอบอย่างเพอ้อเพอพกพกหลงอยู่ในฝันอยู่นั่นเองแล้วประยุกต์วิธีการของตนสร้างความนิยมยังเป็นเทวนิยมที่มีทั้ง วิชาความรู้มีทางความสามารถแต่เป็นการหลอกลวงซับซ้อนซ่อนเชิงเอาเปรียบชนิดที่รู้เท่าทันยากกระทั่งถึงขั้นการติดสินบนกับกลวงกลยุทธ์กลเมตรกลมานยาวิธีกลอุบายแบบทุนนิยมที่เป็นวิธีพนันอันซับซ้อนลึกกลับล้ำซึ่งล้วนเป็นวิมานในฝัน สูงสุดในยุคนี้ของไทยก็คือลัทธิธรรมกายที่ยิ่งใหญ่ผงาดอยู่ในสังคมไทยแผ่ขยายไปสู่โลกและกำลังแผ่อิทธิพลไปล่าชาวโลกมาเป็นบริวารฝังรูปฝังรอยไว้ในโลกอีกอยู่ไม่หยุดหย่อนข้อที่สนี้คือความเสื่อมที่ผนวกความลึกลับ อันเป็นวิมานสวยฝันสวยหรือโลกสวยอัตตาสวยที่คนโลกตกเป็นเหยื่ออย่างเป็นของจริงมีให้เห็นอยู่ชัดๆอัตมาขอสรุปลงเป็นภาษาว่าเป็นเทพนยมเจ้าของวิมานในฝันที่ฉลาดเฉโกยิ่งใหญ่มีให้เห็นปรากฏการจริงเป็นความฉลาดที่ใช้กระแสธรรมะเป็นเครื่องมือ เป็นความเสื่อมที่ชั่วยิ่งใหญ่ในยุคนี้หาใดเทียบหาไหนเปรียบได้ยากยิ่งเพราะคนที่จะทำชั่วได้เนียนขนาดนี้นั้นฉลาดสุดยอดเลวซึ่งเป็นเทวนนยมที่แสนเฉลียวฉลาดผนวกวัตถุนิยมโลกีนิยมทุนนิยมสุขนิยมหรูรานิยมอำนาจนิยมสวยงามนิยมแฟชั่นนิยมแปลกประหลาดนิยม บ้าบ้าบบบุญยมกามราคาิยมรุนแรงอมระหิดชนิดเชิงชั้นซ่อนซอนเลือดเย็นนิยมเยี่ยมบันเทิงสนุกสนานนิยมเลือกลับลึกลุ้นนิยมตลกโปกหานิยมตื่นเต้นระทึกใจนิยมสะใจนิยมผ้านานนิยมศิลปานาจานิยมฉลาดอัดฉริยะนิยมอบายมุกนิยม เคกันตนิยมโลกันตนิยมและอื่นๆซึ่งเป็นอาจารย์เพีย้ยนที่ออกนอกรีธกันจริงๆทุกวันนี้มีอยู่ในเมืองเป็นพระบ้านที่พระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์ไว้แต่ยังหลงเชื่อกันว่าเป็นผู้บรรลุจรณะสมบัติและวิชาสมบัติ นี่แหละคือผู้สร้างเรือนมีประตูสีด้านไว้ที่หนทางใหญ่สีแพร่งแล้วพำนักอยู่ด้วยตั้งใจว่าผู้ใดที่มาจากทิศ ท, ทั้งสีนี้จะเป็นสมณะหรือพรามก็ตามเราจากบูชาท่านผู้นั้นตามสติกำลงังสมณะพรามนั้นต้องเป็นคนบำเรอท่าน ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่4สองประการนั้นก็เป็นอยู่มีอยู่เห็นได้เป็นปัจจุบันจริงชนิ้แล